ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินเฮอข่าวว่าน้ำจะท่วมโลกแน่ไม่มีใครรู้ว่าอีกเมื่อไหร่อาจจะห้าปีหรือ1ิปีก็ได้ทั้งนั้นข่าวโลกแตกมีมานานครับผู้คนฟังแล้วก็ตื่นกลัวบ้างหัวเราเยาะบ้างสุดแท้แต่ว่าใครเป็นคนประกาศข่าวโลกแตกช่วงนี้สิ่งหัวเราเยาะ อ, อาจจะแผ่วลงหน่อย และความตื่นกลัวก็เกิดขึ้นอย่างยาวนานกระทั่งด้านชาและกลายเป็นความชินไปซิแล้วเพราะดินฟ้าวิปริตปรวนแปรเหลือเกินในวันเดียวกันธรรมชาติอาจมีอารมณ์แปรปรวนได้สารพัดเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนแสบผิวเดี๋ยวหนาวถึงไขกระดูกนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ต้องไปดูภูเขาน้ำแข็งถล่มที่ไหนก็รู้สึกได้ว่าโลกทำตัวเกเรขึ้นทุกวัน แถมข่าวโลกแตกรอบนี้ก็ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะในหมู่บ้านเล็กๆเสียด้วยแต่เป็นถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้มีหน้าที่สอดส่องดูแลความเป็นไปของประเทศและของโลกโดยตรงเอาละ่ะสมมุติว่าคราวนี้โลกจะแตกจริงๆเสียทีด้วยการมีน้ำท่วมไปทุกหนทุกแห่งแล้วเป็นยังไงเราจะทำอะไรได้ มาตั้งต้นกันแบบที่ทำให้ไม่ตื่นกลัวและไม่ประมาทดีกว่าวิธีก็ง่ายๆคือถ้ายัายางไม่มีโจทย์ให้ชีวิตในอนาคตก็ตั้งโจทย์สมมุติให้กับวันนี้แล้วกันถามตัวเองหรือยังว่าถ้าต้องพลัดพร่ากระจัดกระจายไปคนละทิศละทางไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดในโลกอย่างมือถือและอินเทอร์เน็ตดังเช่นปัจจุบันคุณจะเลือกไปอยู่กับใคร แน่นอนว่าคุณคงเลือกอยู่กับคนที่รักไม่ได้ครบทุกคนเพราะในวันน้ำท่วมฉับพลันคนที่คุณรักอาจอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคุณจะรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลคุณจริงๆก็ตอนไม่มีมือถือและอินเทอร์เน็ตนี่แหละสรุปคือในที่สุดอันเป็นสุดท้ายแล้วคุณเลือกอยู่กับใครไม่ได้ตามปรารถนาหรอกซึ่งนั่นก็ไม่แตกต่างจากที่กำลังเป็นอยู่สักเท่าไรเลย แม้คุณสมใจได้อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักในวันนี้คุณก็ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะมีเงื่อนไขหรือปัจจัยใดมาพรากเขาไปและวันใดบุคคลอันเป็นที่รักถูกพรากไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงวันนั้นเองที่ต้องตระหนักด้วยความตระนกว่าคุณไม่เคยมีสิทธิ์อยู่กับใครจริงคุณต้องอยู่กับตัวเองตลอดไปตราบเท่าที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ฉะนั้นถ้าเตรียมสร้างตัวเองให้น่ารักน่าอบอุ่นและน่าอยู่ด้วยคุณก็จะมีความสุขอยู่กับตัวเองในทุกวาระสุดท้ายไม่ว่าจะต้องตายโหงในชาตินี้หรือตายดีในชาติไหนอีกสักคําถามหนึ่งคุณถามตัวเองหรือยังว่าถ้าจะต้องเป็นหนึ่งในผู้จมน้ำตายหรือกระหายน้ำจนขาดใจเพราะหนีขึ้นที่สูงเกินไป คุณจะเอาอะไรเป็นทุนรอนสำหรับเกิดใหม่ให้ดีกว่าต้องมาอยู่ในโลกที่จมน้ำได้แน่นอนว่าตอนยังดีๆทุกคนจะบอกว่าช่างเถอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ขอโทษทีคนพูดอย่างนี้ส่วนใหญ่จำๆเข้ามานะครับดีที่สุดที่จะทำวันนี้ของคนพูดก็มักไม่ต่างจากเมื่อวานและวันก่อนๆ น, นั่นคือขอให้ผ่านไปอีกวัน กินให้อร่อยที่สุดนอนให้นานที่สุดและขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้โล่งที่สุดพอถึงคราวหายนะขึ้นมาจริงๆมีสักกี่คนทำใจได้เราต้องการความมั่นคงทางใจในวาระสุดท้ายเป็นสำคัญความมั่นคงทางใจเท่านั้นที่จะทำให้เราพร้อมตายโดยไม่ต้องทำใจใดๆทุกอย่างจะสบายในตัวเอง ความมั่นคงทางใจเกิดขึ้นจากสองสิ่ง 1. กรรมดีที่สั่งสมมาไม่ใช่เฉพาะกรรมดีที่ตาลีตาเลือกระลึกถึงพระอาหารหันต์ในขั้นสุดท้ายนะครับต้องเป็นความดีที่บาเพ็ญมาทั้งชีวิตความดีจะปรากฏเป็นความขาวความสว่างและความรู้สึกงดงามทางใจก่อให้เกิดความสุขความตั้งมั่น โดยไม่ต้องวิงวอนขอการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ 2. ความเข้าใจสิ่งที่ทำให้คนหวั่นไหวคือความไม่รู้ความไม่แน่ใจซึ่งนั่นก็เพราะยังไม่ศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่ต้องเผชิญนั่นเองความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดยามตายคือความเข้าใจว่า ร่างที่จะตายไม่ใช่เราเป็นเลือดเนื้อจากคำข้าวที่เอามาจากโลกและต้องคืนให้กับโลกกับความเข้าใจว่าดวงจิตที่จะดับไม่ใช่เราเป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดด้วยเหตุและดับไปเรื่อยๆอยู่แล้วแม้ระหว่างมีชีวิตแค่ตื่นมาก็ถือว่าจิตเกิดใหม่แค่หลับไปก็ถือว่าจิตดับแล้ว จะต่างอะไรจากจิตดับยามตายสรุปคือถ้าเข้าใจถูกและดีพอคุณก็จะยิ้มรอโลกแตกได้ไม่ต่างจากที่เคยรอวันพรุ่งนี้ที่แสนธรรมดาจริงๆครับ ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังดริน5 อ, อาจารย์เอแบกสาวอดีตดาวคณะเศรษฐศาสตร์จุฬากระโดดตึกดับชีวิตเพื่อให้คนรักหนุ่มเห็นใจ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 แค่ข้าวอร่อยสักมือ้อแค่เสื้อผ้าดีๆสักชุดหรือแค่ความรักความอบอุ่นจากใครสักคนตั้งแต่เกิดจนตายอาจไม่มีสิทธิ์รู้จักจึงสแสวงหาและรอคอยเรื่อยไปเทาว่าเธอคนนี้รู้จักข้าวอร่อยและเสื้อผ้าดีๆมาตั้งแต่เกิดแถมมีทุกอย่างที่คนคนหนึ่งพึงอยากได้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสามารถ ตลอดจนกระทั่งบุคคลที่ทำให้รู้สึกแสนรักและจักคำให้การของเธอในไดอารี่ความรักฉันหญิงชายก็เป็นยอดสุขของความสุขสำหรับเธอเป็นบทสรุปว่าชีวิตเธอครั่งพร้อมทุกสิ่งไปทำไมแต่เมื่อความรักของเธอหายไปชีวิตก็ได้ข้อสรุปใหม่เป็นความทุกข์ที่ไม่อาจทนเช่นกัน คนเราถ้ายัางไม่เคยได้ก็ยังอยากอยู่ต่อจนกว่าจะได้แต่เมื่อได้แล้วเสียไปยังไม่อาจได้คืนก็เหมือนไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเธอผู้ด่วนจักไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่ขณะเดียวกันเธอก็สอนให้โลกรู้เป็นครูสำหรับสาวอีกหลายหลายคนที่ยังหลงฝันว่ายอดสุดของชีวิตคือการมีครบสูตรทั้งสวยรวย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 และทําได้จริงก่อนสิ้นชีวิตครับบท ค, ความจากนิิตยาศาสรทํามากใกล้ตัวฉบับที่42 <ต>อ่านโดยโจโชชุดดังดอกไม้รอบกายคู่เพ ส่นใจชีวิตวันท w h รู้วันทีคิดได้ก็สายไป